จิตแพทย์มันมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสอนเน้นอยู่เรื่องจิตนี่เยอะมากถ้าเรียนได้ก็จะรู้เลยว่าเราสามารถปลดเครื่องความทุกข์ออกจากจิตได้ความทุกข์มันเกี่ยวอยู่กับขันกายกับใจ ถายายึดถือกายยึดถือใจอยู่ยังทุกข์อยู่อันนี้เป็นความทุกข์ขั้นสุดยอดเลยว่าทุกขสัตว์ความทุกข์มีหลายแบบนะในทางปริยัติจาแนกไว้ทั้ง10ชนิดนะในการปฏิบัตินะความทุกข์ตัวสุดท้ายเลยเป็นทุกขสัตว์จะก็คือรูปนามกายใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข แต่ความทุกข์ชนิดนี้หาคนเห็นยากยากมากถ้าเห็นเมื่อไหร่นะใจจะคลายออกจากโลกแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วพอรู้แจ้งอริยสัจการที่เราไม่รู้ความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็เลยรักหวงแหน็นยึดถือผูกพันในกายในใจนี้ ว่ามันเป็นของดีของวิเศษนะรักมันมากห่วงมันมากทันทีที่เราเข้าไปยึดถือกายใจนะก็เท่ากับเราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองแล้วนะแต่ทุกชนิดนี้ดูยากที่สุดเลยสติปัญญาไม่พอนะไม่เห็นถ้าสติปัญญารองลงมาเราก็จะเห็นว่าถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้นี่ระดับรองลงมาล้ถ้าความทุกข์ขั้นสูงจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์จะยึดหรือไม่ยึดนะตัวขันห้าเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดถก็จะหยิบช่วยทุกข์มาถ้ารองลงมาก็คือถ้ามีความอยากเรียทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ทุกข์ ถ้าตื้นลงไปอีกว่านั้นอีกอย่างที่ชาวโลกเขารู้จักถ้าสมอยากก็ไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์อันนี้ต่ำมากแล้วถ้าเราภาวนาเราจะไม่ได้เห็นหรอว่าสมอยากแล้วมีความสุขไม่สมอยากแล้วมีความทุกขนะ์ถ้าภาวนาไปสักช่วงหนึงจะเห็นนะแค่มีความอยากเกิดขึ้นก็มีความทุกขนะ์แล้วความเครียดจะเกิดขึ้นในฉีนทิทันทีเลยในิใจเราอยากตลอดเวลา อยากได้รูปอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ชอบที่เพลิดเพลินความอยากนั้นหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนเพรนันถ้าภาวนาเป็นจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืน เ, เพราะความอยากเกิดทีไรก็ทุกทุกที เห็นตรงนี้นะก็ภาวนาไปเรื่อยจนถึงพระนาคามีได้ตอนที่จะแจ้งข้ามภพข้ามชาติข้ามโลกจริงๆจะเห็นว่าขันนั่นแหละตัวทุกข์อยากหรือไม่อยากนะขันห้าก็เป็นตัวทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เห็นเต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจกายกับใจนี้เป็นสิ่งที่เรายึดถือเนียวแน่นที่สุดห่วงแหนที่สุด ถ้าลงกายใจนี้เราก็ไม่ยึดนะก็ไม่มีอะไรให้ยึดแล้วในโลกนี้เราไม่สามารถปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจนั่นตัวที่จะทำให้เราปล่อยวางได้ก็คือการได้เห็นความจริงนั่นตัวปัญญานั่นแหละทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ใช่เข้าไปด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิ พุทธเจ้าถึงบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าเห็นความจริงของรูปนามแล้วนะมันจะหมดความยึดถือรูปนามหมดความยึดถือขันห้ายึดกายยึดใจก็ไม่ยึดแล้วมีแต่ทุกข์จะยึดทาไมพาะเราสติปัญญาอย่างไม่พอเรายังเห็นผิดอยู่เราไม่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าอายตนะหเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้รูปนามนี้เป็นทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไมมว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยคนที่ภาวนาไม่มากนะจะเห็นอย่างนั้นหรือคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ภาวนาก็เห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าวันใดปัญญาแก่รอบเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วน จะจะหมดความยึดถือในตัวกายนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ยึดถือแล้วก็เลยจะไม่ยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลถั่วคือสิ่งที่มาสัมผัสทางกายด้วยเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลถั่วไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วความยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มี ความยินร้ายในรูปเสียงกยลิ่นรสปพะภะตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตพ้นจากกามและปฏิฆะโดยอัตโนมัติเงั้นที่เป็นพระนาคามีกันนะเพราะท่านแจ้งนะหมดความยึดถือในตัวรูปธรรมในตัวกายนี้ถัากนั้นจะไปยึดอยู่ที่จิตอันเดียวนะต้องภาวนากันนี่ผ่านอยู่ฟากตายต้องสู้ตาย เพราะไม่มีทางเลยเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกเนี่ยยิ่งภาวนามากๆานี่ยจิต ย, ยิ่งเป็นตัวสุกยิ่งสุขโดดเด่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขต้องสติปัญญาแก่รอบจริงๆถึงเห็นจิตนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีแต่ทุกข์กายนี้ก็มีแต่ทุกข์จิตก็มีแต่ทุกข์เพียงแต่บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าสติปัญญาไม่พอเวลาทุกข์มากก็ว่าทุกข์แล้เวลาทุกข์น้อยก็ว่าสุขทุกข์กับสุขเลยเป็นของสัมผัสเป็นสิ่งสัมผัสเปรียบเทียบเอาถ้าตัวสภาวะแท้ๆมันก็คือตัวทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนี่ทํำยังไงเราจะเห็นความจริง ของธาตุขันธ์นัยยตนะรูปนามกายใจได้เรียกมีดหลายชื่อเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นนัยยตนะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจนะจริงย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมทั้งหมดเลยทำไงเราจะเห็นความจริงอันนี้ได้นะพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะเห็นความจริงชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าการเห็นวิคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้อง งั้นเราต้องมาเรีย น, นถ้าเราอยากเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะจนจิตหมดความยึดถือในรูปนามหมดไม่หยิบฉวยกองทุกข์ขึ้นมาตัวกายตัวใ จ, จเรานี่แหละรูปนามนี่แหละท่านจัดอยู่ในกองทุกข์สรุปเลยว่าสังขีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปตัวขันห้านีน่แหละตัวทุกข์ถ้าเราเห็นตรงนี้นะความอยากจะไม่มี เห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็ล่าสมูทัยเมื่อนั้นอย่างถ้าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นะความอยากจะให้กายเป็นสุขไม่เกิดขึ้นความอยากให้ใจเป็นสุขไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นความอยากที่ไร้เดียงสาก็มันเป็นตัวทุกข์ที่ไปอยากให้มันสุขได้ไงความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มนะีเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นตัวของมันได้ยังไง เพราะฉะนนถารู้ทุกขแจ่มแจ้งนะความอยากจะไม่มีเป็นนั้นล่าสมูทัยเด็ดขาดเลยทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ล่าสมูทัยเด็ดขาดในขณะนั้นเลยทันทีที่ล่าสมูทยัยเด็ดขาดก็แจ้งพระนิพพานในขณะนั้นเลย <î> mm> ทันทีที่แจ้งพระนิพพานในขณะนั้นนีอริยมรรตนะหรือพระอรหัตมรรตก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเฉนั <meaning> ้นทุกขสมูทัยนิโรธมรรตเนี่ย <consecutive> หน้าที่ต่อทุกขสมูทัทยนิโรธมรรตสี่อย่างหน้าที่ทุกต่อการ ต่อทุกคือการรู้หน้าที่ต่อสมุทัยคือการละหน้าที่ต่อนิโรธคือนิพพานเนี่ยคือการทําให้แจ้งหน้าที่ต่อมรรคทําให้เจริญเราทําหน้าที่ทั้งสี่นี้เสร็จในขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวนะไม่สองขณะจิตนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะตอนที่ทําวิปัสสนานั้นทํากันแรมเดือนแรมปีหลายปีกว่าใจจะหายโง่ ใจเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวเรามีจริงๆกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเร า, เามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนกันหลายปีนะความมันจะเห็นแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นแจ้งเมื่อไหร่เ้าหมดความยึดถือของเขาเองไม่ต้องไปหาทางช่วยให้ให้หมดความยึดถือ ไม่ต้องน้อมจิตให้ปล่อยวางจิตจะปล่อยวางเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตจะเป็นของมันเองนะเพปัญญาแก่รอบแล้วเขาวางของเขาเองปัญญาก็คือการเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามนั่นเองความจริงของกายของใจของรูปของนามคือไตรลักษณ์ไม่ใช่ปฏิกูณาสุภาอะไรนะคือเรื่องไตรลักษณ์เท่านั้นเองความจริงของกายของใจนี้ ร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้จิตใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้จิตใจนีนะ้ไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้เป็นไปตามเหตุสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคําว่านัตตาไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่ามีปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ตรงนี้ท่านชี้มาเป็นลาดับเลยนะว่า มันทุกขึ้นมาเพราะว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ยิ่งถ้าเราไปหยิบฉวยขันไปยึดถือขันนห้ขึนมอีกนะก็ถ้ากราไปเอาความทุกข์มาใส่จิตใจตัวเองเราเอาความทุกข์มาใส่ใจตัวเองเราไปยึดถือขันนะเพราะเราไม่เห็นความจริงของขันว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษถ้าเราเห็นความจริงของขันว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตจะไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาเหมือนเด็กๆบางคนเด็กเล็กๆ เห็นฐานไฟแดงๆสวยดีผู้ใหญ่กคอยเตือนอย่าไปเล่นไฟนะอย่าไปเล่นไฟนะมันก็ยังอยากเล่นพอเผลอนะมันก็ไปหยิบฐานไฟขึ้นมาพอหยิบฐานไฟขึ้นมาแล้วมันรู้แล้วว่าร้อนไม่ดีตั้งแต่นั้นนะให้มันหยิบมันไม่หยิบแนละ้วจิตนี้ก็เหมือนเด็กนั่นแหละถ้ามันรู้ว่าขันห้าเป็นฐานไฟแดงๆนะเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะจ้างให้ก็ไม่หยิบหรอกไม่ยึดหรอกนะโยนทิ้งไม่ทันเลยนะ ถ้าปัญญาแก่รอบเมื่อไหร่นะมันโยนความยึดถือในขันห้านี้ทิ้งโยนไม่ทันเลยนะงั้นเราต้องมาให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเข้ามาถึงตรงนี้ซึ่งในที่อื่นไม่มีในคำสอนที่อื่นไม่มีเลยวิปัสสนากรรมฐา น, นการที่จะมาฝึกจนเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามเนี่ยเป็นคาสอนเฉพาะของพระพุทธเจ้า ส่วนเรื่องการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลอะนี้เขาเรียกว่าสาธารณกุศลศาสนาอื่นก็มีไม่มีาศาสนานะบางคนเขาก็ใจบุญทำบุญทำทานอะไรเขาก็ทำของเขาไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบเล่ามาสอนไม่มีในที่อื่นก็คือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองส่วนการทำจิตให้สงบสมถกรรมฐานนัมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก งั้นถ้าเราอยากรู้จักพระพุทธศาสนาจ ร, จริงๆเราต้องเรียนรู้เรื่องวิปัสนากรรมฐานให้ถ่องแท้วิปัสนากรรมฐานนี่อะไจะเป็นตัวที่เอาความทุกข์ออกเหียดใจถ้ารู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจได้ก็ไม่ยึดถือมันนะก็ถ้าก็ไม่ไปหยิบฉวยเอาความทุกข์ขึ้นมาวิปัสนากรรมฐานปัฏฐานว่าการเห็นวิเไอแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกนะเห็นไตรักณ์นั่นเองเห็นความ ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำยังไงเราจะเห็นเป็นการเห็นไม่ใช่การคิดการคิดไม่ใช่การเห็นคนละเรื่องกันนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนรู้ความจริงนะวิธีที่จะให้เกิดปัญญาของคนทั่วๆไปเนี่ยในทางาศาสนาพุทธแยกไว้3วิธีวิธีที่1เนี่ยเรียนรู้จากปัญญาของคนอื่น เราไปรับการถ่ายทอดความรู้ของคนอื่นผ่านการอ่านการฟั ง, อ, งนนะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีมันตีมีเดียมีอะไรนนี่คือการรับความรู้มาจากคนอื่นเราไม่ได้รู้ด้วยตัวเราเองแต่เราฟังอย่างฟังอาจารย์เลคเชอร์อ่านหนังสืออ่านเทคอ่านตำราเนะนี่ความรู้ที่มาจากของคนอื่นความรู้ชนิดที่สองนี ความรู้ที่คิดพิจารณาไตร่ตรองเอาเองความรู้ที่เกิดจากความคิดพิจารณาไตร่ตรองเอาเองความคิดอย่างแรกนะภาษาพระเรียกว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาจากการฟังการอ่านการรับถ่ายทอดมาจากคนอื่นปัญญาที่สองชื่อจินตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาไตร่ตรองเอาเองคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างนะ วิธีให้เกิดปัญญาชนิดที่3านะั้ชื่อภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญานะเป็นการเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ไปหาความรู้จากคนอื่นเปลี่ยนตัวเองจากการหาความรู้ด้วยการคิดโมเมลเองนะคิดอาจจะมั่วๆเอาคิดถูกคิดผิดคิดไปตามใจของตัวเองมาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักวิจัยนะในทางศาสนา พ, พุทธมีศั์อยู่คํานึงนะั มากเลยชื่อธรรมวิจยะวิจัยธรรมะจะภาวนาปัญญาจากการภาวนาเนี่ยมาจากการวิจัยธรรมะวิจัยธรรมะไม่ใช่วิจัยกระจอกง่อยไม่ใช่วิจัยทางลิทเทเรชั่แต่เป็นวิจัยภาคสนามนะลงภาคสนามจริงๆเราเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้สังเกตการนะเป็น observer เป็นผู้สังเกตการเรียนรู้สังเกตลงไปในกายเรียนรู้สังเกตลงไปในจิตใจ ร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูของจริงร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขดูของจริงร่างกายนี้เป็นตัวเราที่แท้จริงหรือไม่ใช่ดูของจริงจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูของจริงจิตใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดจริงหรือไม่จริงดูเอาจิตใจนี้เราบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูเอาดูจากความจริงการทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูการทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการนั่นเอง สังเกตการความจริงของกายสังเกตความจริงของจิตใจทําตัวเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้คิดผู้เนองผู้ปรุงผู้แต่งผู้โมเมลเองผู้คิดเราเองนะแต่ต้องดูความจริงของกายของใจให้ได้พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะดูความจริงของกายของใจเราจะต้องมีเครื่องมือ2ตัวในการที่จะดูความจริงของกายของใจให้เห็นเครื่องมือตัวแรกเรียกว่าสติตัวที่2อชื่อว่าปัญญา สติเนี่ยจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรมีอยู่นะหรือว่าอะไรหายไปปัญญานั่นจะรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นการรู้มีสองระดับรู้ด้สติรู้ถึงความมีอยู่ของมันเช่นเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นร่างกายหายใจเข้าเราเห็นร่างกายหายใจออกนะอันนี้รู้ด้วยสติยังไม่เกิดปัญญา วิธียังไงจะให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาจริงมันจะเห็นเอ่อล่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะแปลปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แปลปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งมีแต่ความแปลปรวนร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ใครไม่เชื่อลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆดูสิว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์นะลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอยากหายใจออกนะหายใจออกอย่างเดียวก็ได้อยากหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวอย่ากหายใจเข้านะความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะบีบอย่างนิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําไมด้วย ถ้าคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายมีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะใจเราเป็นแค่คนดูเฉยๆทำตัวเป็นผู้สังเกตการจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆนี่เรียกว่าจิตมีสมาธิงานสมาธิไม่ใช่นั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่เห็นแสงสีเสียนงะได้กลิ่นได้รสนิมิตมีทั้งหมดเลยทั้ง6กวรร นิมิตเป็นรูปก็มีนั่งสมาธิอยู่นะเห็นเทวดาเดินมานิมิตเป็นเสียงก็มีได้ยินเสียงเขาพูดกันแต่ไกลๆได้ยินเสียงผีเสียงเทวดา น, นิมิตทั้งหมดนิมิตเป็นกลิ่นก็มีกลิ่นหอมบ้างกลิ่นเหม็นบ้างนิมิตเป็นสัมผสัสทางกายก็มีนะบางทีนั่งๆอยู่เมื่อยเต็มทีนะมีนิมิตเหมือนคนมานวดให้เลยมาจับเส้นเก่งมากเลยนะเห็นดูลงไปนะเนื้อบุ๋มเลยนะนี่นิมิตทั้งหมดเลยนะ นี่ม่เป็นสิ่งสัมผัสกายก็มีเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาราะเลยนะทำสมาธิแล้วไปรู้สิ่งพวกนี้ไม่ไม่ได้ประโยชน์เลยสมาธิที่สําคัญมากก็คือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสามารถถอนตัวออกจากโลกของความคิดเมื่อเป็นคนที่รู้สึกสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้คนในโลกนี้ไม่มีสมาธิคือมันลืมกายลืมใจตลอดเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปที่อื่น มีร่างกายแล้วลืมมีจิตใจแล้วลืมนี่เรียกว่าขาดสมาธิะงั้นถ้าเราอยากเจริญปัญญาอยากเห็นความจริงของกายของใจนะเราต้องทํา2อย่างอันแรกเรามีสติร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ร่างกายหายใจออกคอยรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้นะคอยรู้เรื่อยๆร่างกายคู่ร่างกายละเอียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนี่เรารู้ด้วยสติ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเคยรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตเคยรู้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจเคยรู้นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตใจเคยรู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้เนี่ยตัวที่เป็นเครื่องมือตัวที่เป็นเครื่องมือในการรู้เท่าทันความมีอยู่และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวนี้เรียกว่าสติ เราคอรู้สึกตัวเรื <t S 1> ่อยๆแะ้วหายใจออกก็รู้สึกนี่เรียกมีสติหายใจเข้าก็รู้สึกเรียกว่ามีสติยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รู้สึกเรียมีสติมีความสุขในกายก็รู้สึกก็เรียกมีสติมีความทุกข์ในกายก็เรียกมีสตินะถ้ารู้ทันมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจมีความโลภความโกรธความหลงในใจก็รู้สึกเรียกว่าเรามีสติอยู่ไม่ลืมกายลืมใจ สติที่ไม่เลื่มใครเลืมใจนี่มีชื่อเต็มยศนะว่าสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่สติอย่างโลกๆนะกินเหล้าทําให้ขาดสติโธคนไม่กินเหล้าก็ไม่มีสติหรอกนะพูดไปอย่างนั้นเองนะขับรถให้มีสติโธไม่ขับรถก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่เคยมีสติเลยนะมันไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจเลยนะนั้นต้องพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองบ่อยๆนะถึงเรียกว่ามีสติ ทำไมต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆก็เพราะว่าเราต้องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจไงถ้าเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจแล้วเราลืมกายลืมใจเราจะไปเรียนรู้ความจริงที่ไหนก็ได้แต่จินตนาการเอาเองคิดเอาเองนะงั้นตัวสตินี่แหละทำให้เราได้สามารถเห็นกายเห็นใจของเราได้นี่เห็นใจเห็นใจแล้วยังไม่เรียกว่าวิปัสสนานะต้องเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจจริงจะเป็นวิปัสสนา มันจะเห็นความจริงของกายของใจได้มีสติคอยรู้กา ย, ยรู้ใจอย่างเดียวไม่พอเงื่อนไขสำคัญจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นผู้สังเกตการให้ได้วิธีการที่จะถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นผู้สังเกตการวิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่มัถึงวิธีการที่ให้จิตตั้งมั่นให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด จิตเราชอบหนีไปคิดทั้งวันเลยวิธีการที่จะทำให้เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดง่ายๆนะอันแรกเลยห า, หาเครื่องอยู่ให้จิตไว้ก่อนจะอยู่กับพุทธโธก็ได้จะอยู่กับลมหายใจก็ได้จะดูท้องผ่องยบก็ได้ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ไม่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นไม่ใช่หายใจเพื่อให้จิตอยู่กับลมหายใจ ไม่ใช่หายไม่ใช่ดูท้องพองยุกเพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องไม่ใช่เดินจงกรมให้จิตไปอยู่ที่เท้านะไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งนิ่งไม่คิดอย่างอื่นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นแบ็กกราวด์ไว้เท่านั้นเองตัวหลักที่เราจะดูคือคือจิตของเราเองเพราะฉะนั้นบทเรียนที่พระเจ้าสอนนะที่ทำให้เกิดสมาธิถึงชื่อว่าจิตสิกขานะการที่เราเรียนรู้จิตนั้นเราจะได้สมาธิขึ้นมา หายใจไปถ้าไปรู้ลมหายใจก็ยังไม่เรียกว่าจิตสิกขาหรอกถ้าไปดูท้องผองยุบไม่เรียกว่าจิตสิกขาหรอกมันเ ร, เรียกว่าเรียนเรื่องท้องนี่ถ้าเราเรียนนะเป็นแบกกล่าวเท่านั้นเองพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหรือดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะอย่างหลงพระเทียนจิตหนีไปคิดรู้ทัน การที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นตรงข้ามกันเมื่อไหร่เป็นจิตรู้จิตก็ไม่คิดเมื่อไหร่เป็นจิตคิดเมื่อนั้นจิตก็ไม่รู้นะงั้นเราใครฝึกได้ๆหากรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งมาทําก่อนในเบื้องต้นเพื่อเป็นแบ็กกราวน์เป็นเป็นฉากหลังเมื่อมันมีฉากหลังอยู่เนี่ยพอตัวอ็อบเจกตัววัตถุที่เราจะดูมันเคลื่อนไหวมันจะมองเห็นนะ อย่างถ้าวัตถุอันหนึ่งเคลื่อนอยู่บนในอวกาศที่ว่างเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าเคลื่อนช้าเคลื่อนเร็วไม่มีแบ็คกราว์มารองรับจิตนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นจิตเคลื่อนไหวไปได้ชัดเจนนะถ้ามีแบ็คกราว์อยู่มีฉากหลังให้เห็นนะงั้นเรามีฉากหลังคือพุทโธคือลมหายใจคือท้องพองยุบคือกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนั่นเองแล้วถ้าจิตเคลื่อนไปจากฉากหลังอันนั้นนะเราจะเห็นชัดว่าหนีไปแล้วหนีไปแล้ว ไปทำตัวนี้ให้บ่อยๆนะจิตแพทย์ทั้งหลายแล้วสุขภาพจิตของจิตแพทย์จะดีนะจิตแพทย์ที่จิตเสื่อมนะเสื่อมมากๆเลยวันวันหนึ่งฟังแต่ความเครียดตอนจบใหม่ๆก็ฟังด้วยความสนใจนะอยู่ไปนานๆก็ฟังด้วยความเซ็งจิตแพทย์เลยเครียดเองแหละส่วนใหญ่นะไม่ก็หนีเลยทําไม่รู้ไม่ชี้ตายด้านในความรู้สึกเลยนะฟังคนมาเล่าอะไรก็เฉยๆใจตายด้านไปเลยนะ งั้นถ้าเราฝึกของเราให้ดีนะเราก็จะพน้นทุกของเราด้วยแหละถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเราจะได้จิตที่รู้ตัวหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อสติระลึกรู้เวทนานะด้วยจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เ ม, มื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แล้วสติระลึกลงไปในความปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายจะเห็นว่ากุศลอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความเกิดความหลงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเราก็เห็นจิตเกิดดับโดยทางสวรรทั้ง6จิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเนือมีจิตหนึงหนึ่งเป็นตัวรู้ทันไปเรื่อยนะเราก็จะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเเป็นนนนออัตาหมืก เงั้นการที่เราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้เนะี่ยมีเงื่อนไขที่เราต้องพัฒนาสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติคอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจมีอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันบ่อยๆให้หายหันความสนใจมาคอยรู้ตัวเองบ้างอย่าลืมตัวเองบ่อยนะักคนในโลกนี้ชอบออกนอกสนใจแต่สิ่งภายนอกไม่สนใจกายและใจของตัวเองทงั้งๆที่เรารักตัวเองที่สุดแต่เราละเลยที่จะรู้ตัวเอง พยายามรู้ตัวเองบ่อยๆนะมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจแต่ตอนที่เรารู้กายรู้ใจนะั้นเราต้องรู้ด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆนะไม่ใช่จิตคิดคิดเอาเรื่องกายคิดเอาเรื่องใจนะจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาเป็นผู้สังเกตการแล้วนะสติเป็นตัวไปรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นอยู่แล้วปัรดา ถ, ถึงจะเกิดถึงจะเห็นความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น ร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายสุขร่างกายทุกข์นัความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ความเฉยๆซึ่งเกิดขึ้นในจิตอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปบุญกุศลน่าอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตเกิดแล้วก็ดับไ ป, บยบไปนะอย่างบางทีเราก็มีวิริยะมีความเพียรอยากปฏิบัติบางทีก็ขี้เกียจใช่ไหม คนส่วนมากก็ตั้งใจนะมีความหวังปรารถนาดีวันนี้นั่งสมาธิสักสองชั่วโมงนะได้สองนาทีเลิกละเปลี่ยนละวิริยะหายวิริยะไม่เที่ยงนะใครมาบอกทําไมกลับกรอกอย่างนี้ก็บอกนี่แหละเห็นธรรมะแล้ววิริยะไม่เที่ยง <c oughs> จริงเจ้าเล่ห์แล้วอย่างนั้ น, น <c oughs> ดูลงไปนะมีแต่อของไม่เที่ยงมีแต่อของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแจ่มแจ้งเมื่อไรนะจิตจะ อันแรกเลยจิตจะเลิกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อมตะร่างกายนี้ไม่ใช่อมตะจิตใจไม่ใช่ออมตะจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาเห็นอย่างนี้ได้จะเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันล้างความเห็นผิดว่ามีสิ่งที่เป็นอมตะถาวร อ, อยู่แล้วต่อไปเราดูกายดูใจไปเรื่อยนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนละเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นคนดูนั่นเอง รู้ไปสบายๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องไปแทรกแซงมันะถ้ารู้มากเข้ามากเข้าต่อไปมันจะแจ้งขึ้นมากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าแจ่มแจ้งตรงนี้เมื่อไหร่นะจิตจะคืนกายคืนใจให้โลกมันจะสลัดคืนมีศัพท์เฉพาะเรียกปฏินิสัก ข, ขะสลัดจริงๆนะมันเวียงทิ้งจริงๆนะถัดจากนั้นจิตจะแปลสภาพไปเป็นเป็นธรรมะนะ เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตรูนะ้ที่บริสุทธ์นะจิตพวกเราไม่ใช่ธาตรู้ที่บริสุทธิ์จิตพวกเราโสโปรกมัมแแมมด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่คือตัวอวิชชาฉะนั้นเรามาเรียนรู้ความจริงซ้ําแล้วซ้าอีกจนจิตฉลาดจิตหายโงนะ่จิตมีปัญญาแจ่มแจ้งเคยได้ยินไหมแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจิตที่ทรงปัญญาเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยแจ่มใสามากเลยนะสว่างสวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหมองเลย ถึงพระ ท, ที่จะดับนะจิตนี้ก็ยังผ่องใสอยู่ได้นะมีแต่ความสุขล้นๆ้นเลยตัดจากนั้นนะมีชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขดูโลกก็ด้วยความเมตตากรุณานะไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเหมือนอีกต่อไปนะเป็นความสุขทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนะรับรองไม่ต้องหาจิตแพทย์ตกงานเลยจิตแพทย์นะ แต่ไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ทำได้มีน้อยคนจิตผิดปกติมีเยอะเพราะงั้นเป็นจิตแพทย์ดีแล้วลาหากินง่ายนะเราอย่าเป็นโรคจิตเองก็แล้วกันถ้าไม่อยากเครียดซะเองนะหัดอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลาง สอนล้นะมีสติหัดรู้บ่อยๆมันก็สติเกิดรู้กายบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆสติก็เกิดทำไงจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้ทันจิตที่หนีวิคิดนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเขามีสติมีจิตตั้งมั่นนะเดี๋ยวปัญญากเกิดเองจะเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็หมดความยึดถือเมื่อนั้นแหละ ย, ยึดทําไมมีแต่ทุกขนะ์ไปทําเอานะไปฝึกเอาถึงไม่ใช่จิตแพทย์ก็ควรเรียนนะ พระพุทธเจ้านี้จิตแพทย์เบอร์หนึ่งเลยนะเชิญไปทานข้าวนี้มดเลยครับัวอง